มูลแห่งกิจจาที่ก่อนอะไรเป็นมูลแห่งกิจจาที่ก่อนสงเป็นมูลเดียวแห่งกิจจาที่ก่อนวิวาธาิกรเป็นกุศลอกุศลหรืออัยยากฤิวิวาทาทิกรเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิก็มี บรรดาวิวาทาทิกอน์นั้นวิวาทาทิกอน์เป็นกุศลเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตเป็นกุศลวิวาทกันว่านี้ธรรมนี้อธรรมสองนี้วินันนี้ไม่ใช่วิไนยัยมนี้ตถาคตพาสิทธไวตรัสไว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 นี้อาบัตมีส่วนเหลือนี้อาบัตไม่มีส่วนเหลือ9ก้านี้อาบัตชั่วยากนี้อาบัตไม่ชั่วยากความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจความหมายมั่นในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่า วิวาทาทิกรเป็นกุศลบรรดาวิวาทาทิกร น, นั้นวิวาทาทิกรเป็นอกุศลเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตเป็นอกุศลวิวาดกันว่าหนึ่งนี้ธรรมนี้อธรรม 2. นี้วิไนนี้ไม่ใช่วิไน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 บรรดาวิวาทาทิกอนนั้นวิวาทาทิกรเป็นอัพยกริตเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตเป็นอัพยกริตวิวาดกันว่าหนึ่งนี้ธรรมนี้อธรรมสองนี้วินยัยนี้มิใช่วินยัยละเก้านี้อาบัต ช, ชั่วอยาก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 อนุวาทาทิกรนเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากริกก็มีบรรดาอนุวาทาทิกอนนั้นอนุวาทาทิกอนที่เป็นกุศลเป็นฉไหนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตเป็นกุศลย่อมโจ์ภิกษุด้วยสีลวิบัติอาจารวิบัติทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติการโจ์การกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วงความเป็นผู้คล้อยตามการทำความอุตสาหะโจ์การตามเพิ่มกำลังให้ในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าอนุวาธาทิกรเป็นกุศลบรรดาอนุวาธาทิกร น, นั้น อนุวาธาทิกรที่เป็นอกุศลเป็นฉะไหนพิกษุทั้งหลายในกรณีนี้พิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตเป็นอกุศลย่อมโจทภิกษุด้วยสีรวิบัติอาจารวิบัติทิฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติการโจดการกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วงความเป็นผู้คล้อยตาม การทำความอุสาหะโจ์การตามเพิ่มกำลังให้ในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าอนุวาธาทิกกรเป็นอากุศลบรรดาอนุวาธาทิกกร น, นั้นอนุวาธาทิกกรที่เป็นอพยญากษเป็นฉไหนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้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 อนุวาธาทิกรเป็นอัพยากริตราปัตตาทิกรเป็นอกุศลหรืออัพยากริตอาปัตตาทิกรเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากริตก็มีอาปัตตาทิกรเป็นกุศลไม่มีบรรดาอาปัตตาทิกรนั้นอาปัตตาทิกรที่เป็นอกุศลเป็นฉไหน ภิกษุรู้อยู่เข้าใจอยู่จงใจฝ่าฝืนล่วงละเมิดอาบัตใดนี้เรียกว่าอาปัตตาทิกรเป็นอกุศลบรรดาอาปัตตาทิกร น, นั้นอาปัตตาทิกรที่เป็นอัพญญากรกเป็นฉไหนภิกษุไม่รู้ไม่เข้าใจไม่จงใจไม่ฝ่าฝืน ล่วงละเมิดอาบัตใดนี้เรียกว่าอาปัตตาทิกรเป็นอัพยากรกิจจาทิกรเป็นกุศลอกุศลหรืออัพยากรกิจจาทิกรเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากรก็มีบรรดากิจจาทิกรนั้นกิจจาทิกรที่เป็นกุศลเป็นชน สงมีจิตเป็นกุศลทำกรรมใดคืออปโลกนกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุถกรรมนี้เรียกว่ากิจจาธิกรเป็นกุศลบรรดากิจจาทิกรนั้นกิจจาทิกรที่เป็นอกุศลเป็นชไหนสงมีจิตเป็นอกุศลทำกรรมใด คืออปปโลกนกรรมยติกกรรมยติทุติยกรรมยติจตุตถกรรมนี้เรียกว่ากิจจาทิกรเป็นอกุศลบรรดากิจากนนกจาทิกรนั้นกิจจาทิกรที่เป็นอัพยากฤตเป็นไฉนสงมีจิตเป็นอัพยากฤิตรทำกรรมใดคืออปปโลกนกรรม ยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุถกรรมนี้เรียกว่ากิจจาที่ก่อนเป็นอัพยากร